วิธีระงับนิยสกรรมและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสง์พึงระงับนิยสกรรมอย่างนี้คือภิกษุเสยสกะพึงเข้าไปหาสง์ห่มผ้าอุตราสง์เฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษาทั้งหลายนั่งประโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญกระผมถูกสงลงนิยสกรรมแล้วกลับประพฤติชอบหาเยื่อยิ่งกลับตัวได้กระผมจึงขอระงับนิยสกรรมพึงขอแม้ครั้งที่สองท่านผู้เจริญกระผมถูกสงลงนิยสกรรมแล้วกลับประพฤติชอบหายเยื่อยิ่งกลับตัวได้กระผมจึงขอระงับนิยสกรรม พึงขอแม้ครั้งที่สามท่านผู้เจริญกระผมถูกสงลงนิยสกรรมแล้วกลับประพฤติชอบหายเยอ่ยยิงกลับตัวได้กระผมจะขอระงับนิยสกรรมภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงราบด้วยยติจตุธกรรมมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้า ภิกษุไสยสกะนี้ถูกสงลงนิยสกรรมแล้วกลับประพฤติชอบหายเยอ่อหยิ่งกลับตัวได้ขอระงับนิยสกรรมถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงระงับนิยสกรรมแก่ภิกษุเสยสกะนี้เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุไสยสกะนี้ถูกสงลงนิยสกรรมแล้ว กลับประพฤติชอบหายเยอ่อหญิง่งกลับตัวได้ขอระ ง, งับนิยสกรรมสงระ ง, งับนิยสกรรมแก่ภิกษุไสยสกะแล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการระ ง, งับนิยสกรรมแก่ภิกษุไสยสกะท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงแม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุไสยสกะนี้ถูกสงฆ์ลงนิยสกรรมแล้วกลับประพฤติ ช, ชอบหายเยื่อหยิ่งกลับตัวได้ขอระงับนิยสกรรมสงระงับนิยสกรรมแก่ภิกษุไสยสกะแล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการระงับนิยสกรรมแก่ภิกษุไสยสกะ ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าพิกษุทธสยสกะนี้ถูกสงลงนิยสกรรมแล้วกลับประพฤติชอบหายเย่อหยิ่งกลับตัวได้ขอระงับนิยสกรรม สงระงับนิยสกรรมแก่ภิกษุใสยสกะแล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการระงับนิยสกรรมแก่ภิกษุใสยสกะท่านรูป น, นั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงนิยสกรรมสงระงับแล้วแก่ภิกษุใสยสกะสงเห็นด้วยเพราะเหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้นิยสกรรมที่สองจบ